มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทวักธรรมวินัยปฏิชนะปัญหาที่แปดถามว่าตรัสให้เปิดธรรมวินัยออกสั่งสอนเหตุไรจึงให้แสดงปาฏิโมกขในอุโบสถอันมเร้นลาบเล่า ราชาสมเด็จบรมกษัตริย์ขัตติยนรินทรงพระนามว่าพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัธปัญหาอื่นแก่พระนาคเสสนื่อไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาภาสิตังเจตังพักวตาถ้อยคำอันนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกโมลีเจ้า มีพระพุทธดีกาตรัสประพาธไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมวินโยอันว่าพระสูตรพระวินัยและปารมัติวิวิตโตถ้าเปิดออกกล่าวคือเทศนาบอกเล่าอยู่เมื่อใดก็รุ่งเรืองไปตราบนั้นไม่รู้เสื่อมโนปติจฉันโนถทาว่าปิดบังไว้ไม่ได้บอกกล่าวให้เล่าเรียนไม่ได้ตรัสพระธรรมเทศนา ก็ถึงซึ่งภาวะลี้ลับอับปะาคไปไม่รุ่งเรืองปุณจักครั้นมาอีกใหม่เล่าสมเด็จพระบรมโลกานาจเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในวินัยปีโดกว่าให้พระภิกษุสำแดงพระปาติโมกในพระอุโบสถอันเป็นที่ลับอย่าให้อุบาศอุบาสิกาฟังตกว่ากำบังพระวินัยไว้ โยมเห็นว่าถ้าเปิดพระวินัยออกให้แจ้งแกสัตบุรุษศีกานี้เขาได้ฟังแล้วจะจำเริญศรัทธาโสเพยะจะงดงามนักหนาเตนะการณีนะเหตุดังนั้นอัทรสธรรมรสวิมุตติรสจะปรากฏอย่างไรเล่าเมื่อกำบังพระวินัยเสียดังนี้นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าแม้จะถือเอาคำเดิมที่พระองค์ตรัสว่า พระสูตรพระวินยัยพระปารมีถ้าเปิดไว้แล้วก็จะรุ่งเรืองนั้นคําภายหลังที่สมเด็จพระสัพพันยูเจ้าตรัสให้พระภิกษุกำบังไว้ซึ่งพระวินยัยมิให้สําแดงซึ่งพระปาติโมกแกสัตว์บุรุษศีกานั้นก็จะผิดครั้นจะเชื่อคํานี้เล่าคําที่สมเด็จพระสัพพันยูเจ้าตรัสไว้เดิมก็จะผิดอยังปิปันโโหอันว่าปริศนานี้ อุพโตโกติโกมิเที่ยงยังเป็นสองไม่ต้องกันชื่อว่าอุพโตโกตินิมน์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้แจ้งซึ่งความกังขาของโยมในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระโลกุตามาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประทานว่าธรรมะวินโย อันว่าพระสูตรพระวินัยพระประมัติถ้าเปิดออกไว้คือให้บอกกล่าวเล่าเรียนก็จะรุ่งเรืองผ่องใสปฏิจฉันโนแม้แล่มากำบังไว้ไม่ได้เทสนาบอกกล่าวเล่าเรียนเล่าก็เศร้าหมองเสื่อมไปไม่รุ่งเรืองครั้นแล้วพระองค์ตรัสพระสัตธรรมเทศนาว่าให้พระพุทธบุตรกำบังวินัยปีดก กระทำวินัยยาปิดกคือพระปาติโมกจะสำแดงพระปาติโมกให้มีเสมาป้องกันควรจะฟังจะรู้แต่พระภิกษุมหาราชะขอถวายพระพรการที่จะแสดงพระปาติโมกต้องมีเสมาปิดป้องกำบังนั้นเป็นด้วยเหตุมีลักษณะสามประการคือพระปาติโมกนี้ท่านให้พระพุทธบุตร ปิดบังไว้ด้วยสามารถเป็นวงประเวณีแห่งพระพุทธเจ้าแต่ก่อนๆสืบมาโปรดให้พระพุทธบุตรสวดในถ้ากลางเสมาอย่าให้ผู้อื่นฟังได้ประการหนึ่งให้ปิดบังเสียด้วยความเคารพในธรรมมิให้ดูหมิ่นดูแคลนได้ประการหนึ่งให้ปิดบังเสียด้วยสามารถภูมิของภิกษุควรเคารพไม่ควรทําเปิดเผยประการหนึ่งสิริเป็นสามประการด้วยกัน ที่ว่าเป็นวงประเวณีแห่งพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างไรคือสำแดงในถ้ำกลางภิกษุเหล่านั้นปิดบังไว้ไม่ให้สมเนนและอุบาสกอุบาสิกาฟังได้ยะถามีครุวนาฉันใดนะบอพิษพระราชสมภารเปรียบปาลดุจหนึ่งกษัตริย์ทั้งหลายจะสำแดงขัตติยะมายาได้แต่ในวงกษัตริย์ทั้งหลายด้วยกัน นอกกว่านั้นมีควรจะสำแดงให้ฟังกิริยานี้เป็นประเวณีมาสำหรับวงกษัตัิย์ชั้นใดก็ดีอันว่ากิริยาที่สำแดงพระปาติโมกนี้ให้สำแดงในถ้ำกลางพระภิกษุทั้งหลายเท่านั้นมิให้สำแดงในถ้ากลางผู้อื่นก็เป็นประเวณีมาตามวงแห่งองค์สมเด็จพระสัท พ, พันยูเจ้าแต่ก่อนเหมือนกันและบรมกษัตริย์จะสำแดงขัตติยมายาได้ แต่ในท่ำกลางวงกษัตริย์ด้วยกันนอกกว่านั้นไม่ควรจะสำแดงในสำนักผู้ใดผู้หนึ่งกิริยานี้เป็นประเวณีในโลกมาแต่กษัตริย์ขัตติยาทิปดีทั้งหลายนั้นยะถามหาราชดูกระบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐจะเปรียบปานชันใดเปรียบปานดุจคนทั้งหลายอันเที่ยวอยู่ในแผ่นดินมันลาคือคนปล้ำ อะโตนาคือช่างทองวตกาคือช่างกระทำส้อยธรร ม, รมะคิริยาคนกล่าวถ้อยคําเป็นธรรมเป็นต้นและคนทั้งหลายนั้นรู้วิชาต่างๆก็กำบังวิชาซ่อนวิชาของตนไว้ตามพวกตามเหล่าบอกได้แต่พวกที่รู้ด้วยกันคนทั้งหลายนอกนั้นไม่สำแดงวิชาของอัตมาให้รู้ได้ ย่อมรักษาวิชาวไว้ตามตระกูลวงของตนมิให้แพร่งพรายไปแก่ผู้อื่นได้ยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเอโสวังโสอันว่าประเวณีวงพระภิกษุพุทธชิโนรสเล่าก็จำจากกำบังซ่อนไว้ซึ่งพระปาติโมกจะสวดได้สำแดงได้แต่ในพัทธสีมา มิควรที่จะให้คราวาสวราการฟังและให้ปิดบังไว้ดังนี้เป็นประเวณีเยี่ยงอย่างมาแต่สำนักสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าทั้งหลายในการปางก่อนทุกๆพระองค์มาเอวังเมะตะถามีอุปมาเหมือนคนทั้งหลายอันมีวิชาแต่สงวนวิชาของอัตมาไว้ตามชาติตระกูลของอัตมา มิให้วิชาแพร่งพรายไปแก่ผู้อื่นฉันนั้นกะทังธรรมะครุกตาปิทาหิโตพระเจ้ามิลินจึงมีคำถามว่าที่ว่าปิดบังไว้ด้วยเหตุเคารพในธรรมนั้นเป็นประการใดพระนาคเษนจึงแก้ว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิทพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐพระภิกษุพุทธบุตร พึ่งปิดบังไว้สำแดงปาฏิโมกในพัทธสีมานั้นด้วยสามารถเคารพในธรรมนั้นคือพระปาฏิโมกนี้เป็นที่เคารพถ้าพระพุทธบุตรผู้ใดมีอุตสาหะปฏิบัติ ด, ดีแล้วก็อาจสำเร็จแก่พระนิพพานถ้าไม่ปกปิดไว้บุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติคือฆราวาสนั้นก็มักดูหมิ่นดูแคลนติเดีย น, นินทาไม่มีความเคารพ อันว่าพระปาติโมคสังวร น, นั้นเป็นธรรมอันเป็นแก่นสารเป็นสารธรรมอันประเสริฐดุดหนึ่งแก่นจันทร์อันเลิศสมควรแก่ขัตติยะกัญญาขนานางเปรียบปานกษัตริย์จะสมานัตนิยมชมชื่นชนผู้อื่นนอกนั้นที่มิได้ต้องการแก่นจันทร์หอมย่อมดูแคลนดูมิน่นมิได้ชื่นชมยินดีความเปรียบนี้มีอุปมาชันใด อัญสาระทระปะวะระธรรมโมอันว่าธรรมอันประเสรศิฐส่งไว้ซึ่งอัดอันเป็นแก่นสารนี้ก็สมควรแก่ท่านผู้ทรงศีลวิสุทธิที่สังวรจะสโมสรชมชื่นบุคคลผู้อื่นเป็นทุรชนมักดูหมิน่นเหมือนบุคคลผู้ดูหมิ่นต่อแก่นจันทร์อันหอมนั้นเหตุดังนี้จึงมีพระพุทธดีกาให้สำแดงพระปาฏิโมกข์ในสีมา อย่าให้สมณเนนอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปร่วมรู้ร่วมเห็นจะดูมิ่นได้ให้กระทำดังนี้เหตุจะให้เคารพนอบนอบในพระพุทธบัญญัติพระเจ้ากรุงมีลินจึงมีคำปุตชาถามอีกว่าที่มีพระพุทธดีกาโปรดไว้ให้พระภิกษุสำแดงพระปาติโมฆะสังวรในสีมาด้วยเคารพภิกษุนั้นอย่างไรพระนาคเษนจึงแก้ว่า มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารภิกขุภาโวอันว่าภิกษุภาวะนี้อะตุโลหาที่จะเปรียบไม่ได้อัปปเมยโยหาที่จะประมาณปานปูนไม่ได้อนาโคหาฆ่าไม่ได้ไม่มีเพศใดจะเสมอเทียมทันอุปมาเหมือนดวงแก้วมณีอันประเสริฐเกิดเองหาฆ่าไม่ได้ เหตุฉนี้จึงโปรดไว้ให้สำแดงพระปาติโมกแต่ภิกษุชนอื่นนอกจากภิกษุนั้นสำแดงมิได้จะเปรียบชั้นใดอุปัยเหมือนทรัพย์อันเป็นแก่นสารวัดถังวาคือผ้าก็ดีอัธรนางวาคือเครื่องลาดก็ดีหยะคชระรถตุระคังคือช้างอันสำคัญและรถอันดี ภาชีชาติอัสดรก็ดีสุวรรณรัชตอิทีรัตนังคือหม้อเงินหม้อทองนางแก้วก็ดีสมควรที่จะครอบครองได้ก็แต่กษัตริย์อันสูงสักรประเสริฐสุริยะวงถ้าบุญน้อยต่ำลงไปมิอาจสามารถจะครอบครองได้ความข้อนี้ซ้ก็อุปมาเหมือนพระปริยัตไตรบิดก และสังวรคุณอันนิยมเอาซึ่งศีลและมารยาทนี้ก็อาจสามารถที่จะทรงจะครองได้แต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงนั้นเหตุดังนั้นสมเด็จพระสัพพันยูจึงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุกระทาสีมาและให้สวดพระปาฏิโมกมิให้คฤหัสถ์สมณเ น, น, นั่งฟังได้เพื่อจะให้พระภิกษุเป็นที่เคารพนบนอบ สักการะบูชาแก่ขนานิกรมนุษย์เทวดาทั้งปวงขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคาะนาคอนได้ทรงฟังก็สโมสรสาธุการแก่พระนาคเษนอันเป็นองค์อาเศคาบุคคลในการนั้นธรรมวินัยปฏิชนะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้